ไม่ข้าวมีเินทบาทด้ฉันเตะข้องเต็กองเป็นทบาไม่คู่คนมาช่วยเรามาให้อาหารการฉันในวันนี้ก็เข้าวันข้ากขายศาสเสร็จไปแล้วชาวบ้านเขาทำบุญรวมยอดเป็นศาตรลาวในวันเป็นเดนินสิบก็เป็นศาสตร์ไทย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 แตเมื่อวานนี่เขามีสลา ก, กพัดพาเวนเพราเวนนี่พาเวนนี่เพื่ออุทิศแต่ยังเปรตชนปล่อยเชือกตูปชีวีก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะให้เราสะเครึ่งหนึ่งให้เปรตชนครึ่งหนึ่งซะเราจะฉันอาหารที่เขาพาเวนสลากพัด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 นเราฉันพระทั้งหลายก็ต้องถวายพระพุทธถวายข้าวพระพุธก่อนก็นงมือขึ้นว่าอิมังสาธทุปลังสาริดังโพชานังอุตตกังวลังพุทธเจ้าบุเคมะถวายพุธเจ้าแล้วแล้วก็เสสังังคลายจามิรับเศษพทธเจ้าเหมือนกับม่ความรู้สึกอย่างนั้นอาหารที่เราฉันได้มาจากพระเจ้า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 มีแน่นอนการเกิดการแจกการเจ็บการตายสิย่งที่เราทำอยู่นี้ปฏิบัติทำอยู่นี้เันเพื่อการนั่นโดยตรงไม่ใช่เพื่อลาบสกระเสียงเสิญเยนโยไม่ใช่หมูมิตรพวกพ้องวริวานเป็เจ้าระทิอรงลยงไปสู่มรกญผลนิพานเป็นที่สุดหมายไปทางของนกบวดของศาสนาของพุทธศาสนา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 ปฏิบัติธรรมชวนการสอนการบอกการทำให้ดูอยู่ให้เห็นพูดใได้ฟังให้เป็นนิมิตพอเห็นได้บ้างถ้าไม่มีนิมิตเห็นให้มีโรจะให้คนดูอร่อยอย่างพระรีรัตถะเห็นนิมิตเห็นคนเกิดเห็นคนเจ่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะ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 นั่นถ้าสะพา น, านต้นนี้ขาดทงไมนะสะพานต้นนี้นะหลงตาเป็นคนขอมาเองนะเป็นหมเราอยู่ในเกาะแมนว่าพ่อเปยมไปทำสะพานป่าสักน์นันนะทางเดินของพวกเราพ่อ่าจะว่านไปทำโน่นนเฟอมาเห็นอ้เอาปานี่เลยลงพ่อเอาปานี่แล้ว啊 ไม่มีทางแล้วกดเข้ามาหลายวันแล้วอเอ้ยถ้างั้นผมจะพาหาพัวว่าไปก็ไปสิบะไปเลยหาพ่วว่าเขาจะไม่เข้าประตูหาผัวแต่ขานั่งอยู่มาทําไมหลวงตามาหาผัวามาทำไมล่ะมีเรื่องอะไรบอกเราด้วยโอ้เดือดร้อนน้าท่วมไม่มีทาง ไปมาหาสู่อยู่ในเกอะเป็นอาทิตย์แล้วว่าก็เข้าไปหาเออเลยขาเข้าไปหาผู้ว่าท่านนายเพลเนี่ยผมเป็งพายหลวงพ่อมาบอกเลยข า, ขาก็รบเป็นนายเพเชจ้งข้อเองฝาเข้าไปแล้วว่าก็ตอนรอบจอ่างดีนายเพอป่าไปแนะตาเข้าไปก็ตานผู้ ว, ว่า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 ว่าก็บอกว่าเออไปเรียกโยธามาไอเมอไปเรียกโยธามานี่โยธาก็มานั่งโยธาน้อ no งท้องสะเปรนะพ่อเจอกันได้ไหมที่ไหนเขบว่ า, าใหม่ปาสุโกโตโนอนงามทั่วหมอยวกันแล้วต้องไปดูก่อนไปดูสิไปดูแล้วมีไงมาบอกเรานะโยธาก็บกังอ่ะ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 เรายังเป็นก่อนนะให้แม่จวดมาชื่อที่ตรงห น, นตัดทางทะลุไปโนนเอามาโรนั่นเลยนะนาาเพอเอาลูกชายมาบวชที่นี่ท่านน้นเพอหลวงพ่อเดือดร้อนมาไปเอาเบอที่ไหนต้องลงเขาไปกเกษตรสมบูรณ์ก่อนขึ้นต่อกเกษตรใช่ไหมเอาเกอระเกษสมบูรณ์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 ขึ้นมาบ้านทาวเบอร์ไนเป็นหมู่บ้านขึ้นมาตัวผู้ใหญ่คนแรกก็คือผู้ใหญ่สวนเนี่ย <c oughs> ก็พอมีผลบางันก็มีผลบางแต่ก่อนก็นุมเนาะต่ น, นี่ไม่ได้แล้วพอทยอยกหมดเรีย้ยวหมดแรง <c oughs> ้าอาดีตลำเล็กนะ่อนไปล่องเพลงให้ชาวบ้านท้าไฟหวานฟังสามเกว่าปีก่อนเป็นพระ น, นม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 อันดินลาดยางแค่เนี่ยเอาจอบไว้เอาชีกไปขุดก็แตกแล้วไอเ้เครื่องตัดอยู่เป็นเดือนเราไม่เสร็จแล้วตั้ยมันไปไหนหมดมือคนนะอ่าหน้าสงสารปัญญาอ่อนแล้วคนทุกคนนะจับจอบจับมีดจั บ, จ บ, จบเสียงไม่เป็นแล้วไปไหมพวกเราบ้านใหม่ก็ผู้ใหญ่ก็ทยกเอารถพอทยกไปหา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 ยังแต่หลงตามีพระต่ยีวันก็โทรไปบอกเพื่อนเรามันอดไม่ได้ที่ให้คนเดิอนอันเรามีความจุความไม่หลงไปโกรธนี่ทำไมจะมันอดได้จะต้องบอกกันต้องสอนกันดูแลกันสอนเฉยๆไม่พอต้องมีที่อยู่ใาร่วมกันเล่านึกเราก็มีเพื่อนมีพระสงฆ์อาจารตุ้ม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 มีสิ่งที่อาศัยเราอยู่ในโลกเนะี่ยแต่น้องกระเด็นฝ้าอากาศอาศัยเราอยู่ธรรมชาติเราไม่ใช่ยิ่งใหญ่หอกเราต้องให้มันเป็นประโยชน์บ้างอัฏฐิรฐาประโยชน์ยาตถาจิริยาประโยชน์แจกญาติพุทธจะกรยาประโยชน์แกญญ่พุทธศาสนาโลตถาจิรยาประโยชน์ต่อโลก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 คนที่มาปฏิวัติธรรมนะเป็นเพศตะรโกนร่ปยพครอมกันจานวมฏเทพจาน์เทพก็ไปแล้วมะเลงหนอเขาเนี่ยก็เป็นมะเลงตลอให้วันตายมาถึงรอให้วันเก็บปัญแก่มาถึงเราเลยต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนจึงจะสมกับเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้เรื่องนี้เราไม่มีอะไรที่ประเสรศิฐ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 ขอหักไปคนต่างนะพอดีไปโรงพยาบาลออกมารถกลับบ้านมาวานนะเขาบอกว่าอย่าล้มไหนล้ ม, ม, ลมทำไมจึงลมละมระวัดระวังนะถือไม่เท่าอันดาก็ถือไมนเท่านะไม่ทําให้คือผู้เท่านะไม่อยากเป็นัู้เท่าหรอกแต่จำเป็นต้องถือเวลาเดินมาธรรมัดนะมันบางทีก็ตื่นใจใช่ไหมตีข้องเวล้วรีบจุกหมา มันก็ช่วยได้นะอาหนอาครท่อห น, น, นะอ้างว่าตนจะไม่จก่หรือต้องถือไม่เท่าบ้างานะเจ็บแล้วขาเนีน้ยเจ็บไปแล้วเดินไม่ได้แร้วเอแม่ตองคําถามคนมาจากลงเพื่อง่ตง <laughs> ขึ้นเลย ข, ขึ้นไม่ได้นะบอกว่าอย่าร่มอย่าร่มให้ลำบัระวังนะดินวัดเราเนะี่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 การซื้ออยู่ซื้อกินระวังให้มากโดดอีตงเตงเนี่ยใครเป็นคนทําให้เราอาหารปัดปัดมันๆอย่าให้มีกันเกินไปสิ่งที่ทอดแล้วทอดอีกหน้ามันอันแล้วทอดแล้วทอดเดกอันตรายเป็นทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ตามหมอบอกอกินละร้อนกินร้อนนอนเอิม่มร่างมือ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 สนามบินเลยลงมาแล้วพอกจะถามบินเขาวิ่งมาจับแขนขึ้นไปเอา้าวอะไรนอ้องบากหนิมายืนอยู่รอจานนท์ไปเห็นมันต้องต่อเครื่องบินสองเที่ยวอสองต่อไม่เห็นจานนท์มาต้องบอกล่ามไปดูแลที่ะจะเอาอเครื่องบินจะออกเวลาเนี่ยทางบินเครื่องนั้นก็จะออกเวลาเนี้ยถ้าไม่รีบกเพราไปาท้องทิ้งกันหรือเรากับจานนท์ <laughs>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 หมอชื่อมาให้ร่างมือให้สะอาดนะตัดเล็บมือดีๆที่แบบที่นอนให้อย่าให้มอมมามซักผ้าซักผ่อนเดินไปเดินมาละมัดระวังอย่าพุนผันผันแล่นตัวเท่าก็เจ็บไปแล้วอย่าเจ็บอีกนะระมัดระวังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือมาลู้ตัวเองแย่ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น